ผมก็ไม่มีเวลาที่จะแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงเพราะงานผมกัมูลอยู่ตลอดดังที่เห็นนั้นเพราะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยาถืออะไรเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าสติที่จ่ออยู่ในหลักธรรมหลักวิหนัยหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นทางเดิน เพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนอกนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับรองเลยว่าผู้ที่ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขก็เจริญและพ้นจากทุกไปได้ไม่มีเพราะฉะนั้น <c oughs> เราผู้ปฏิบัติให้ยึดหลักธรรมหลักวินยัยเป็นหัวใจของเรามีสติคอยประคับประคองระมัดระวังรักษาตัวให้ดี <c oughs> เรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้เสียเว ล, เวลากับสิ่งนั่นการนี้เวลานั่นสถานที่นั่นที่นี่อย่าไปคิดให้เสียเวลานอกจากสติกับธรรมที่เราเก้าวเดินอยู่ด้วยคิดตะภาวนาของเราทุก อ, อิริยาบกอันนี้เป็นความภาคยันของผู้จะทรงมรรคทรงผลโดยตรงนอกนั้นไม่มี อันนี้เป็นเครื่องยืนยันเราจะหาสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสมากต่อมากมาเป็นที่ยึดที่เกาะแล้วก็คว้าน้นคว้านี้มีแต่ความเลวไหลไปตามกิเลสทั้งนั้นสิ่งที่แน่นอนที่เป็นสวากาสะรัรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นคือธรรมคือวินยัยให้ยึดนี้นี่ไว้ให้ดีนี่แหละ เป็นทางเดินเพื่อมรักปุนิพานโดยจรงไม่ว่าครั้งใดสมัยใดผู้ที่ยึดตามหลักธรรมหลักวินยัยด้วยความเข้มงวดกวดขันในตัวเองอยู่เสมอจะเป็นผู้ก้าวเดินตามสเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับลำดาในทางความภาคเพียรไม่ท้อถอยอ่อนแอจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ การที่ผมสอนเพื่อนฝูงทั้งหลายนี่ผมหมดความสงสัยมาเป็นเวลาห้าสิบสี่ห้าสิบห้าปีนี่แล้วไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยในธรรมทุกขั้นทุกภูมิที่นํามาสั่งสอนเพื่อนฝูงสอนด้วยความแน่ใจจากหัวใจที่ลูกกระจ่างแจ้งเต็มอยู่ภายในจิตนี่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> จึงไม่มีอะไรสงสัยในศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาชั้นเอกอุ ไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยเลยจึงขอให้พากันลงใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินยัยนี้คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งที่เราประกอบก็คือความภาคเพียรอย่าให้เคลื่อนคราดจากหลักธรรมหลักวินยัยหลักวินัยสําคัญมากนะใครอย่าถือว่าว <c oughs> ินัยไม่สําคัญวินัยนี่สําคัญมากทีเดียว ถ้า ล, ลงได้ข้ามเกินด้วยความฝ่าฝืนแล้วผู้นั้นหมดหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปหาความจเจริญไม่ได้เลยผู้ใดมีฮีเรโอตาปะสะ ด, ดุ้งตวดต่อพระโอวาทที่แสดงไว้แล้วคือบัญญัติไปแล้วนั่นเองอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเป็นผู้ก้าวเดินตามศาสดาจะไม่เป็นอื่นเป็นใดแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยท่ายเดียวทางด้านธรรมะความเพียร ภายในใจของเราใครเป็นผู้ผผู้ปฏิบัติในทำขั้นใดตอนใดหรือเป็นคำบุกรรมให้เป็นหลักใจของตนเองในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความมีสติตเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งสติ แล้วถือคำบริกรรมในธรรมบทนั่นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจอยู่แล้วผู้นั้นแน่นอนว่าจิตนี้จะเข้าสู่ความสงบได้ไม่สงสัยเพราะจิตที่เผลอเมื่อไหร่นั่นน่ะคือกิเลสเอาไปแล้วเอาไปแล้วมันจึงตั้งไม่ได้พอเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมดังที่ผมเคยพูดให้ท่านต่างหลายฟังแล้วนี่ผมได้ทดสอบตัวเองมากพอจนถึงขั้นมาลงใจว่าเราอาจสงสัย ในทำทั้งหลายที่เราเจริญแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมนั้นเพราะเราไม่ได้ใช้คําบริกรรมมีแต่สติเฉยเฉยเถอะได้ที่นี่เราจะตั้งใหม่ให้มีคําบริกรรมแล้วก็มีสติติดแนบกับคําบริกรรมไม่ยอมให้จิตคิดออกนอกกลูก่นอกทางหรือคิดในแง่ใดนอกจากคําบริกรรมนี้เท่านั้นนี่แหละ อ่ะมีทัาเราจึงเสื่อมถ้าเราทําอย่างนี้เราก็ค่อนข้างแน่ใจแล้วเ พ, <EL> พราะว่าแม่อุจาร์ก็สอนอยู่แล้วจึงได้ประมวลลงมาลงใจในจุดว่าคําบุญกรรมนี่แหละที่นี่เอาฝากเป็นฝากตายคําบุญกรรมนี่เลยจะไม่เป็นอีกนี่จึงได้พูดว่าเป็นเหมือนระคังดังเป่งเลยนักมวยต่อยกันพอระคังดังเป่งก็ต่อยเลยอันนี้ลงใจปึงนั่นเท่ากับระคังดังเป่ง ถึงว่าตาบริกรรมไม่ให้เผอตั้งแต่วันนี้ต่อไปเนี่ยเรียกว่าละคังดังเป็นจากนั้นป้าวกับพี่ผมชอบพุทโธเป็นนิสัยพุทโธเลยติดแนบตลอดทั้งวันไม่ยอมไม่เผลอเอามันจะเผอไปไหนได้สติติดเอาทุกข์ก็ทุกข์เป็นตายไม่ยอมไม่เผอไม่ปล่อยวางพุทโธกับสติเอาถึงขนาดนั้นเดียวนะผมไม่ได้ลืม ส, สดร้อนๆทุกข์มากนะ เราตั้งสติบืงต้นเพราะจิตที่มันเคยคิดเคยปรุงไปทางกิเลสมันเป็นเหมือนน้ําผุพุ่งออกมาจากใจดันคําว่าพุทโธให้แตกกระเจิงไปหมดเลยแล้วน้ําผุของกิเลสมันจะพุ่งไปตามหน้าที่ที่มันเคยมาแล้วจนถิ่นเราจึงต้องบังคับเอาพุโทโธ บ, บังคับจิตไม่ให้คิดอย่างอื่นอย่างใดให้มีแต่คําว่าพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นกับสติบังคับไว้อีก อย่างนี้เอาจนหนักทุกมากแต่สําคัญที่ไม่ยอมถอยไม่ได้หลายวันนะ่ที่เอากันอย่างเนี้หนักวันแรกนี่หนักมากพอวันที่สองมากขาค่อยเบาลงทั้งทั้งที่ก็ไม่เผลอด้วยกันพตากนั้นสามวันสีวันที่นี้เบาลงเบาลงไอ้น้ําผุของสิเลนนั้นจะเบาลงมากเบาลงมาก น้ำอัดน้ำทำคือคาบริกรรมนี้จะคล่องตัวไปเรื่อยๆสติติดแนวกันตลอดทุกวันไม่เผลอเลยต่อไปก็ค่อยตั้งลากตั้งฐานได้นี่ละไดเอามาสอนเพื่อนผมผมได้ทามาแล้วถึงขั้นละคังดังเป่งคือลงใจแล้วทีนี่ฟาดกันเลยเดียวก็ได้ผลดังที่ว่านี่ท่านผู้ใดเป็นผู้ตั้ง อ, อกตั้งใจอย่างนี้แล้วแน่นอนจิตใจต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นได้ทำแล้วให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจ ทีนี้เวลาเจริญขึ้นไปแล้วมันเคยเสื่อมแต่ก่อนเอาเสื่อมก็เสื่อมปล่อยเลยมันจะเจริญก็เจริญเพราะอยากเจริญไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเขานี่ปล่อยทั้งความเจริญและความเสื่อมสิ่งที่ไม่ปล่อยก็คือคําบริกรรมกับสติตาไม่ปล่อยตายด้วยกันกับนี่เลยก็เอากันตรงนี้พอถึงขั้นที่มันจะแต่ลงไม่ลงที่นี่นะเอาปล่อยเลยไม่เป็นอะไรตายอยากกัมมันะคําบริกรรมนี้ให้ติดกับตัวเอง มันก็ขึ้นขึ้นขึ้น ข, นขนทีนี้ไม่ลงจเจริญไปเรื่อยเรื่อยจึงจับหลักได้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะเราเผลอที่ไม่ได้ทาบริกรรมกํากับนี่มีแต่กาหนดสติเฉยเผลอได้นั่นเอาละที่นี้คราวนี้เราทําอย่างนี้ไม่เผลอแล้วจิตเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ตั้งแต่นั้นอกิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่สอนผู้ที่เริ่มต้นอยากจะได้หลักได้เกณฑ์นในจิตใจให้ส่งความสงบเย็นใจของ เราจากความภาคเพียงที่ประกอบแล้วก็หขอให้พากันทําอย่างนี้อย่าพากันหลอกแหละนะอย่าเสียดายความคิดความปรุงที่กิเลสหลอกลวงมานานแสนานานแล้วอย่าเสียดายเราเคยชิดมามากต่อมากแล้วปล่อยให้หมดเอาทิ่ที่มันขมๆเนี่ยกิเลสมันถือว่าขมเหมือนบุญระเภทคือคําบริกรรมเนี่ยบังคับใส่นั่นนะ่ะแล้วขมนี่ก็จะหวานต่าไปแต่อไปหวานหวานไปเรื่อยเลยอนี้ก็จิต สว่างสวยขึ้นมาหละให้จำอันนี้ให้ดีขอให้มีหลักใจนะผู้ปฏิบัติอย่าล้อแหละโลเลถ้าล้อแหละแล้วจะทำอะไรไม่ได้เรื่องจะบริกรรมภาวนาแบบใดวิธีใดความล้อแหละจะไปทำลายให้ล้มเหลวไปหมดถ้าความจริงจังจับได้ตรงไหนเมื่อถูกแล้วจับให้ถูกแล้วเอาไปเลยแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วผู้มีธรรมขั้นใดก็าตามสติเป็นของสาคัญมากอย่าปล่อยอย่าวางสติ ในเบื้องต้นสติต้องเป็นพื้นฐานสําคัญขั้นต่อไปจิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลําดับแล้วออกทางด้านปัญญาในปัญญานี้จะมีเป็นระยะนิดหน่อยนิดหน่อยเบื้องต้นจะมีแต่สติเป็นพื้นฐานต่อเมื่อปัญญา <c oughs> ได้ออกทํางานทางด้านที่คลายสกุลลกายซึ่งเป็นของสําคัญมากในตัวของเรากิเลสในหัวใจสัตว์ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะรุนแรงยิ่งกว่ากามะกิเลส ราคาตัณหานะให้จำให้ดีตัวนี้ตัวฝังลึกมากที่สุดปะหนึ่งว่ากิเลส ท, ทั้งมวลมีตัวนี้เท่านั้นเหมือนหนึ่งว่ามีกิเลสตัวเดียวมันใหญ่กว่าเพื่อนกว่าฟูบังคับให้โลภให้โกรธให้อะไรอยู่กับตัวนี้เป็นสำคัญพอตัวนี้เบาลงส่งความโลภมันก็เบาความโกรธก็เบาเนี่ยเพราะตัวนี้เบาลงเอาให้พิจารณาทางด้านอสุภาอสุพังพิจารณาแยกธาตุแยกขันดูข้างในข้างนอก หิวหนังเหล่านี้มันบางนิดเดียวสะละดูเอานะนี่มันประดับคนทั้งคนกลายเป็นนางงามจักรวาลไปได้ทั้งทั้งที่หนังมันบางๆเป็นเครื่องหลอกมันยังถือว่าเป็นนางงามจักรวาลไปได้ใหญ่โตไหมยิ่เล็กหลอกโลดคนนั่นหละแล้วใคคลี่คลายเข้าไปเบื้องต้นมันไม่ชำนาญเราก็ต้องพยายามฝึกใช้การพินิจพิจารณาแต่ขอให้มีจิต ให้จิตมีความสงบบ้างพอประมาณก่อนจิตถึงจะไม่หิวโหวยในอารมณ์ต่างๆถ้าจิตยังไม่มีความสงบบ้างเลยนี่พาพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันจะกลายเป็นสัญญาทะเลสาไหลออกลอกลู่นอกทางกลายเป็นจิเลตไปเลยนะท่านจึงสอนเรื่องสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้อิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี้แม่นยำมากที่พระเจ้าสอนไว้แหละสีและปัิภาวิตโตและปัญญาปัิภาวิสังนี้แหละ สอนไปตั้งแต่นี่แหละไปคือหล่อเลี้ยงกันเป็นลําดับโน้นกันเป็นลําดับลาดาไปให้เราจับจุดนี่ไว้มักผลิพภณัณอยู่ที่หัวใจของเรานะอย่าไปคิดอื่นใดให้กิเลสหลอกไปหลอกไปอยู่ที่ความเพียรของเรานี่แหละโน้มให้ดีการพิจารณาร่างกายนี่ก็แล้วแต่อุบายของผู้ใด <c oughs> มันเป็นอุบายวิธีการของแต่ละคนลคนที่จะนํามาใช้เพื่อความรู้แจ้ง <c oughs> เห็นจริงในชนากายของตนให้นํามากิน เราจะพิจารณาให้เป็นของเน่าของเหม็นของเปือ่อยแตกสลายทาลายลงไปพิจารณาภายนอกคนอื่นยิงอื่นชายอื่นก็ได้พิจารณาเราเป็นอย่างนั้นก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องอสมุทรไทยมันติดได้ทั้ ง, งข้างนอกข้างในเมื่อพิจารณาเป็นมรคพิจารณาข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้เป็นมรคด้วยกันให้นํามาพิจารณานี่แหละทางเดินเพื่อความพ้นทุกพอจิตมีความสงบเป็นปากเป็นทางแล้วแล้วให้ใช้ปัญญาอย่าไปนอนอยู่เฉยนะ ความสงบนี่สงบไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพียงเท่านั้นไม่ได้มีความแยบคายยิ่งกว่านั้นผมเคยเป็นมาแล้วสมาธิเต็มภูมมาถึงขนาดท่าไปไม่มีละในเรื่องที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันลาคาญถ้าอยู่ด้วยความสงบแน่อยู่อันเดียวเท่านั้นทั้งวันอยู่ได้อยู่ไหอยู่ได้เลยสบายอยู่กับนั่นแล้วไม่รู้ตัวว่าติดสมาธิแล้วไม่อยากใช้ปัญญานี่ละจึงต้องเอาดึงออกมาเมื่อมันมี กำลังพักทางความสงบแล้วเอาออกมาใช้ทางปัญญาเบื้องต้นมันจะไม่อยากออกนะถือว่าเป็นการกวนความสงบคือสมาธิของตนแล้วให้ดึงออกจําให้ดีคําเหล่านี้ดึงออกพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันพอพิจารณาไปพิจารณาไปนี่สมาธิเป็นเครื่องหนุนมมันอิ่มอารมณ์แล้วมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นนอกจากทางด้านปัญญาที่เราตั้งหน้าตั้งตาพิจารณามันจะพิจารณาทางนั้น แล้วค่อยแยกคายออกไปแยกคายออกไปพิจารณาอสุภ า, ภาษณ์ุฟังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคาดไล่คาดนานั่นเนี่ยกลับไปกลับมาจนมูลชาดมูลไถมันแหลกลงไปพอปักพอดำก็ปักพอดำอันนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเรื่องอสุภาสุฟังมีความชํมนชมนานิชานาแล้วคล่องแคล่วไปโดยลําดับลําดาทีนี้ปัญญาจะค่อยก้าวเดินเห็นผลเน่ยการพริจารณาของตนนี่เป็นก้าวสําคัญมาก อางนั้นก็ดังที่เทศไร้วันเข้าปัญหามันจะก้าวเข้าสู่สุภะที่จะตัดราคะตัณหาตรงนั้นเนี่ยแต่อันนี้ยังไม่ชํานาญยังก้าไม่ได้ก็สอนวิสีแล้วให้ท่านท่างหลายจําให้ดีนี่ละทางเดินเพื่อมรักผลนิพพานปัญญาอย่าปล่อยอย่าว่างเมื่อมีความสงบพอเป็นป่าเป็นทางแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจิตใจที่ออกรู้ทางด้านปัญญาเนี้จะเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปขยายออกไป ละเอียดละอ้อเข้าไปผิดสมาธิเป็นไหนๆนะจนถึงขนาดที่ว่าได้มาตําหนิสมาธิว่ามันนอนตายเฉยๆสมาธิไม่ได้แก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสมันรู้ขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสรู้กิเลสไปโดยลําดับมาแต่อยู่ในสมาธิไม่รู้อะไรรู้อันเดียวแนวเป็นเอกตาจิตเอกัตาลงเท่านั้นเองพอออกทางด้านปัญญามีความแยบกายจึงให้ใช้ปัญญา ท, ทางด้านอสุปภาพอรูปภัง กิเลศตัวนี้หนามากนั้นหนักมากนักโอดท่วงมากทีเดียวพอตัวนี้ค่อยเบาไปเบาไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาไปตา ม, ตามกันหมดจึงทราบได้ชัดเจนว่าการมาลาคานี้ลุ่นแรงมากออกสนามแนวรอบทั้งหมดอยู่ในนี้หมดทีเดียวพอตัวนี้อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสิ่งทั้งหลายก็อ่อนไปตามกันหมดพลาด้นตัวนี้ให้ขาดลงไปจนนั้นสิ่งทั้งหลายมันก็ขาดไปตา ม, ตามกันเพราะตัวนี้เป็นเจ้าอํานาจบารหลวงอันใหญ่หลวง พิจารณาอันตรงนี้นะผมจะเป็นห่วงเป็นใ ย, ยกับเพื่อนกับผู้อทั้งหลายกลัวจะไม่ได้ส่งมรรคส่งผลตามทางศาตราที่สอนไว้ทั้งๆที่เราเป็นกรรมฐานเต็มตัวด้วยกันเลียปฏิบัติกรรมฐานทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ปรากฏผลในะการปฏิบัติธรรมของตนทางด้านคิดต่อภาวนานไม่ดีเลยไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นโมฆะกรรมฐานเพคอะน่านจึงพาให้กันเน้นหนัก ในทางด้านอืมสมาธิก็เอาให้สงบให้ได้อืมเอาทางด้านปัญญาก็เอาให้มีความแยบคลายจนได้เพราะปัญญามันแยบคายแล้วมันจะค่อยรู้อเรื่องเอ า, าสูผ้าสูฟังมันคล่องตัวถึงข น, นาดที่แยบเยี่ยมทั้นั้นมันพุ่งขาดกระบ้านไปหมดไปหมดนี่คือปัญญาชํานาญผมเป็นมาบมดแล้วใ น, นเรื่องเหล่านี้ <c oughs> เพราะเมื่อจากนั้นแล้วจินได้เข้าประมวลกันเข้าขั้นที่จะตัดขาดจากราคะดังที่ผมพูดแล้วแต่ไม่บอกในจุดที่มัน ขาดมันจะเป็นขัญนยารมแบบผู้ปัญชาการให้เป็นสัานที่โถมตัวเองแล้วต้าขึ้นมาแล้วเอออย่างนี้นั่นขาดหรือไม่ขาดมันก็รู้เองถ้าเราบอกว่าให้ทํงางนั้นนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นๆมันไปหมายอย่างลึกลับเสียแล้วมันเอาอันลึกลับที่ไปหมายมาเป็นความจริงแล้วหลอกตัวเองไปดึงๆเพราะฉะนั้นธรรมะอันนี้แม่พ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นก็ไม่เคยบอกอเวลามันผ่านเข้าไปผังีมันก็รู้เอง ที่ท่านสอนท่านก็สอนเลยจากนั่นไปยะในจุดนั่นท่านไม่สอนให้ผู้นั่นพิจารณาตัวเองขอให้เรื่องอสุภะมีความคล่องแคลวว่องไวแล้วก็มาตั้งจุดที่ว่าเอาให้มันรู้ในจุดนั้นให้ดีไม่ต้องหมาหมายมาเลยมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมันจะรู้ตรงนั้นราคาที่แท้จริงที่ตัดขาดกันตรงไหนมันจะตัดขาดในจุดนั่นแหละโดยไม่มีใครบอกหากรู้เองอ๋ออย่างนี้เองนั่นเวลาไปบอกซะก่อนมัน หมายอย่างละเอียดนะหมายแล้วมันเลยความสําคัญมันหมายมาเป็นมากเป็นผลเลยไม่ได้เรื่องนะให้จําไม่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่บอกมีแต่บอกวิธีการให้ฝึกกล้องไปเข้านั้นแล้วให้เข้าของนั้นให้ดูทางยังไม่พอเอาพิจารณาอีกซะก่อนเอสาสุภาพสุพัรณแล้วรวมตัวข้มัาตั้งลงในจุดนั้นไม่ทําลายแผงดูมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนให้ดูตัวนั้นอ่ะตัวสุภาพสุพรรณ ที่เรามาตั้งไว้ตกไวว้ตตรงหน้าของเราไม่ทําลายเออแล้วไม่โยกย้ายไปไหนด้วยเจตนาให้มันเป็นขึ้นมาเองหากมันจะโยกย้ายไปไหนให้มันเป็นขึ้นมนเองมันจะเข้าหรือมันจะออกตัวกองอาชุบะกองนั้น่ะให้มันรู้เองนั่นแหละมันจะตัดสินกันที่ตรงนั้นเรื่องราคาอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามที่นี่ขาะราคาก็ไม่ต้องถามอ๋อขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวนี่นี่ลจุดนี่เป็นจุดสําคัญมากหากมัน ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวไปมาของอะรนั้นเอาพิจารณาซ้ํากให้มีความ ช, นชนานิชานาญแล้วตั้งดูอยากทดสอบดูความจริงของอสุภาษณ์ตัวนี้มันจะไปยุติกันที่ตรงไหนเอาตรงนั้นลหละมันจะไปยุติกันโลกที่ตรงไหนก็รู้ตรงนี้แหละนะถ้าอันนี้แสดงข่าวหลังนี่ข่าว่าวหลังนี้แล้วจะรู้ทันทีนี่นี่เรียกว่าถึงขั้นนี้เป็นขั้นที่จิตชนมุล กับอสุภาษุผังมากทีเดียวหมุนทิ้วทิ้วเอาฝึกซ้อมฝึกซ้อมดังที่ฝุดแล้วล้างอย่ากนั้นไปแล้วมีที่ก้าวเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นอัตโนมัติไปแล้วนี่แหละก้าว 9, แรกคือเรื่องการมะละก้ขออันชันทั้งหลายอันหนักแน่นในการมะละก้เอาให้หนักแน่นด้วยอสุภาสุผังทุกผังอนิจังอนาตาให้เต็มเหนี่ยวอยู่ในนี่แหละนี่แหละมากผลนี่ผ่านขาด จากราคาแล้วเราจะขาดจากความอดถ่วงทุกสิ่งทุกอย่างกองทุกทั้งหลายมารวมอยู่ที่การเมืกเก่อกีเลทั้งหมดนะพอตัวนี้ขาดตัวนี้ไม่มีอะไรดึงลงกิเลสตัวนี้ดึงลงน่ ว, วงถ่วงลงแหมจะเป็นจะตายจริงนะพอนี้ขาดนะีไม่ดีดขึ้นเรืเ่อยๆดังที่กล่าวแล้วว่าพระอนาค า, ท, าท่านไม่ลงท่านจะลงมาหาอะไรมันขาดแล้วก็มีแต่ขึ้นข้างหน้าเรืเ่อยๆดังที่ท่านลําดับไว้ตามภูมิ ของติดของธรรมธรรมก็วิหารตะปาถุา่วสารสีเนี่ยภูมิของของธรรมจับของติดจะไปพักอยู่เป็นระยะระยะภูมินั้นติดอยู่ในขั้นใดแล้วจะไปตามขั้นของตนมีขึ้นไปเรื่อยอย่างนั้นนะให้ลงไม่มีนี่ให้ทากันจดจำทุกคนเอาละวันนี้พูดกัแค่ น, นี้ไม่ถึงยิ่งกว่านี้ไปละให้พอเหมาะกอดีเอาละพอเร็วเลย